วันนี้เป็นวันครบรอมรบมรำคาญของท่านพ่อลีท่านซึ่งให้ความร่มเย็นแก่โลกมามากต่อมากแต่หน้าเสียดายที่กฎอนิจจังเข้าทำลายแม่ท่านทำประโยชน์ให้โลกได้นานยิ่ง่าเท่าที่เป็นมาแล้ว แม้เช่นนั้นเราทั้งหลายก็ได้รับความรล่มเย็นรู้สึกเป็นผลเป็นประโยชน์แก่จิตใจมานานตั้งแต่ได้พบท่านครั้งแรกมาจนกระทั่งถึงบัดนี้เพราะท่านผู้ดีหายากคนผู้ดีหายากพระที่ดีหายากศาสดา คือพระพุทธเจ้ายิ่ยงเป็นผู้ที่หายากตั้งกับกับกันกันก็ไม่ได้ปรากฏมาแม่องค์พระองค์เดียวท่านผู้สิ้นกิเลสที่เรียกว่าสังฆังสลังขงจฉามิซึ่งเป็นที่ฝากเป็นฝากตายของสาวพุตรหรือเหล่าจั์ทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่หายากท่านพ่อลีท่านก็ อุสาพยายามบำเพ็ญคุณงามความดีมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยท่านมีนิสัยเด็ดเดี่ยวอากหารชานชัยมากในการประพฤติปฏิบัติและท่านเคยเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นมาตั้งแต่เริ่มแรกโน้นจนกระทั่งในพระกราชกันทั้งหลวงปู่มั่นและองค์ท่านเองก็เคยไปมาหาสู่กันอยู่เสมอ ดูว่าเท่าที่ได้สังเกตในเวลาท่านไปกราบน้มัศกรารหลวงปู่มั่นที่วัดป่าหนองผือนั้นรู้สึกว่าหลวงปู่มั่นท่านสแสดงอากัปกิริยาเต็มไปได้วยความเมตตาอย่างมากมายเห็นได้อย่างเด่นชัดแม้ท่านจะไม่ได้พักที่วัดป่าหนองผือเป็นเวลานา น, านก็ตามแต่สถานที่ให้พัก สำหรับท่านพ่อหลีเหล่านี้ท่านเป็นผู้สั่งเองว่าให้ไปจัดที่นั่นที่นั่นให้ท่านหลีได้พักสบายๆคําว่าที่นั่นที่นั่นนั้นหมายถึงในป่าลึกๆโน้นแล้วก็สั่งผู้แสดงทําอยู่เวลานี้แหละเป็นผู้ไปดูสถานที่ที่จะให้ท่านพักนินม่มซ้ำท่านยังตามไป ตามเข้าไปดูสถานที่พักนั้นด้วยนี่ก็เป็นเหตุให้ประทับใจไม่ลืมและการให้อวาตสั่งสอนในคืนสองสามคืนที่ท่นานพักอยู่นั้นรู้สึกว่าประทับใจอย่างส่งมากทีเดียวเพราะครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ของท่าน และเป็นที่เมตตาเป็นที่ไว้วางใจของท่านนานๆจะได้ไปพบกับท่านกราบนะ้มาตกการท่านหนึนน่งและได้สนทนาธรรมกันท่านจึงได้สนทนากันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยซึ่งยากที่จะหาปังได้ในเวลาอื่นๆนี่ก็เป็นเหตุไม่ให้ลืมเพราะเหตุใดเพราะหลวงปู่มั่นนั้นแสดงอาการอันใดออกมาย่องเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลทุกอย่าง ไม่สักแต่ว่ากิริยาที่แสดงออกมาเท่านั้นแต่เต็มไปด้วยความหมายนี่ท่านพ่อลีก็เป็นลูกศิษย์องค์สําคัญองค์หนึ่งของหลวงปู่มั่นเราท่านได้มาทําประโยชน์ทางภาคนี้อยู่เป็นเวลานานจนกระทั่งได้มรณภาพลงที่วัดอโศการามของพวกเราทั้งหลายเวลานี้จึงเป็นเหตุให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายได้ระ ล, ลึกนึกน้อมถึงท่านในวันเวลาที่ บรรจบครบรอบแห่งวันมรณภาพของท่านจึงต่างท่านต่างอุตส่าห์มาจากสถานที่ต่างๆทั้งใกล้ทั้งไกลมาได้คำหนึงถึงความชิ่นเพลืองแม้ที่สุดอันตรายใดๆที่จะเกิดขึ้นจากการเดินทางมากราบนบสการท่านให้สมใจนั้นก็ยอมเสียสละทั้งนั้นดังพี่น้องทั้งหลายมาเวลานี้เป็นจํานวนมากต่อมาก ดูจะไม่ค่อยมีที่ไหนปรากฏดังที่ปรากฏอยู่เวลานี้เลยข้างนอกก็เต็มข้างในก็เต็มชั้นล่างก็เต็มชั้นที่สองขึ้นมาก็เต็มยิ่งชั้นที่สามด้วยแล้วเต็มไปหมดทั้งพระทั้งเนนทั้งคารวะญาติโยม <c oughs> ทุกขั้นทุกภูมิมาด้วยความนึกน้อมและเลือกถึงองค์ท่านแล้ววันนี้พี่น้องทั้งหลายทั้งฝ่ายพระฝ่ายเนรคารวะญาติโยม จะได้ยินได้ฟังอัรรมตามการตามเวลาประการหนึ่งสำหรับผู้แสดงก็ไม่ค่อยได้มีเวลามากราบน้มสักการท่านในวันคำลบหรือในวันราบครบรอบมรณภาพเช่นนี้บ่อยนักนานๆจึงได่มาครั้งหนึ่งวันนี้จึงได้ถือโอกาสมาเพื่อกราบเยี่ยมท่านและได้พูดธรรมะ อันเป็นเครื่องลึกสำคัญให้แก่พี่น้องทั้งหลายฟังจึงกรุณานําอัดและจึงกรุณาตั้งอกตั้งใจฟังอัดธรรมด้วยความสงบใจอย่าได้เป็นกังวลกับผงใดซึ่งใจนั้นเป็นนักกังวลเคยก่อควรตัวเองอยู่เสมอเรื่อยมาแม้ที่สุดในขณะที่ฟังเทศก็ไม่วายที่จะมารบกวนจิตใจในขณะ นี้จนได้ทําให้ไม่ได้ท่อได้ความในการฟังอัดฟังธทำเพราะยิ่งเล็ดมันเข้ายื้แย่งแข่งดีถุดลากความคิดความปรุงของเราให้ไปในแถวทางของมันเสียโดยมากต่อมากที่จะล่วงไหลธรรมที่จะล่วงไหลเข้าสู่จิตใ จ, จด้วยการเปิดรับโดยความมีทตินั้นจึงมีน้อยเมื่อทติมีน้อยการเปิดรับธรรมทางความรู้สึกของเราก็มีน้อยธรรมที่ ท่านแสดงหนักเบามากน้อยเพียงไรในแง่อารตแนะรมต่างๆก็ไม่สามารถที่จะเข้า อ, อกเข้าใจพอได้ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์วันนี้จึง <c oughs> ขอเชิญพี่น้องทั้งหลายทั้งฝ่ายพระฝ่ายเนนให้ตั้งใจดูด้วยพระด้วยความเป็นปัจจุบันนจิตเป็นเป็นปัจจุบันนธรรม คือไม่สงสัยไปในอารมณ์อดีตที่ผ่านมาแล้วทั้งดีทั้งชั่วส่วนมากมักจะเป็นทางเรื่องโลกเรื่องสงสารเยอะมากกว่าที่จะเป็นเรื่องอดเรื่องธรรมนี่เป็นสิ่งที่ควรใจท่านเรียกว่าอารมณ์เข้ามากวนใจในขณะที่ฟังธรรมเมื่อเราฟังธรรมอยู่ด้วยปัจจุบันธรรมคือมีความรู้อยู่จาเพาะใจของตัวเอง ตั้งหน้าตั้งตาที่จะได้ยินได้ฟังอยู่กับความรู้สึกที่ตั้งไว้เฉพาะหน้านั้นเรียกว่าปัจจุบันนธรรมจิตไม่สายแสเป็นอารมณ์ไปในอดีตอ น, นาคตปรากฏเด่นชัดด้วยความรู้สึกที่มีสติอยู่ภายในตัวเองโดยเฉพาะเท่านี้ท่านเรียกว่าปัจจุบันนธรรมเมื่อจิตเป็นปัจจุบันนธรรมแล้วก็เป็นเช่นเดียวกับเรานำภาชนะไปรองน้าไว ในสถานที่ที่น้ำจะล่วงไหลลงมาย่อมจะทำภาชนะนั้นให้เต็มได้ใจของเราซึ่งเป็นเหมือนกับภาชนะที่ตั้งไว้แล้วด้วยดีด้วยความมีสติด้วยความตั้งใจการแสดงธรรมซึ่งเป็นเหมือนกับน้ำเขาย่อมจะล่วงไหลเข้าสู่ใจที่มีสติได้รับทราบทุกระยะทุกระยะใจในขณะที่รับทราบทุกระยะระยะ แห่งธรรมทั้งหลายที่เข้าไปเกี่ยวข้องนั้นย่อมทําให้จิตใจเรามีความเยือกเย็นเป็นสุขเพราะความซึมซาบแห่งธรรมใจย่อมสงบในขณะนั้นถ้าผู้ดำเนินทางด้านคิตตะภาวนาจิตที่จะเริ่มเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิจิตย่อมสงบได้ในขณะที่ฟังธรรมถ้าจิตเข้ากล้าเข้าสู่ขั้นปัญญา ท่านแสดงธรรมะละเอียดเข้าไปมากน้อยอย่างไรจิตยิ่งจะขยับตามขยับตามเป็นการเพราะท่านแสดงธรรมนั้นเป็นการเบริกทางให้เราก้าวเดินโดยทางปัญญาของเราจากปัญญาของท่านที่แสดงธรรมไปนั้นเราก็ได้รู้ได้เห็นเรื่องราวของสิ่งที่เป็นค่าศึกต่อจิตใจของเราซึ่งแต่ก่อนเราไม่เคยได้ยินและไม่เคยทราบแต่เมื่อได้รับอุบายจากครูจากอาจารย์ ที่ท่านได้เข้าเข้าใจในวิธีปฏิบัติจกนกระทั่งถึงเรื่องปัญญาขั้นใดๆท่านได้เคยผ่านมาเต็มโดยสมบูรณ์แล้วท่านแสดงไปในบทใดบาทใดของเรื่องปัญญาผู้ฟังนั้นย่อมจะได้คติเตือนใจเป็นลำดับลำดาไปเพราะฉะนั้นในครั้งพุทธการที่ท่านแสดงไว้ว่า พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่พุทธบริษัทในครั้งหนึ่งหนึ่งนั้นบรรดาพุทธบริรัททั้งหลายได้บรรลุมรได้บรรลุมรผลนิพพานเป็นจำนวนมากนั้นเป็นความจริงร้อยเปอร์เซ็นสำหรับจิตที่จะรับความจริงได้เช่นนั้นมีอยู่มากมายเพราะการแสดงก็คือพระพุทธเจ้าเสียเองเป็นผู้แสดงอุบายวิธีการต่าง ความรู้ความเห็นต่างๆที่ทรงนํามาแสดงแก่สัตว์กนั้นไม่มีผู้ใดจะสามารถอาจรู้ได้เหมือนความรู้ความเห็นจากพระปรีชาญาณของพระพุทธเจ้านั้นเลยเพราะฉะนั้นการแนะนําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าภูมิของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพุทธวิสัยจึงมีความสามารถอา่านมีความเขียบแหลมมีความละเอียดละอว์ซึ้งมากในธรรมทั้งหลาย ได้ที่มาแสดงแก่สัตว์โลกผู้มีอุปนิสัยสามารถที่ควรจะรับอัดรับธรรมได้อย่างรวดเร็วเช่นประเภทที่จะรู้ได้อย่างรวดเร็วคือปุคติตันยูเป็นผู้สามารถที่จะรู้ได้อย่างรวดเร็วปุคติตันญูเป็นผู้สามารถที่จะรู้ได้ในลําดับรองกันลงมา ย่อมจะสามารถบรรุอัตธรรมได้อย่างรวดเร็วรวดเร็วผู้ที่ยังไม่ถึงขั้นนั้นก็ได้ฟังครั้งนี้ฟังครั้งนั้นแล้วขยับจิตขึ้นไปจากการได้ยินได้ฟังค่อยขยับขึ้นไปผู้ที่ผ่านพ้นผ่านไปเรื่อยๆผู้ที่ก้าวเดินคือผู้ที่ได้ยินได้ฟังอยู่เสมอก็เป็นการเบิกทางให้ ในการได้ยินได้ฟังนั้นได้ก้าวเดินไปตามโดยลำดับลำดาเขาขยับขึ้นไปสุดท้ายก็ผ่านพค้นไปได้เรื่อยๆผู้ที่ฟังมีจำนวนมากขนาดไหนจิตใจไม่ได้เหมือนกันเหมือนกันแต่คำว่าจิตเท่านั้นแต่ความสามารถจะกล้าในตามอุปนิสัยของแต่ละรายละายของจิตนั้นต่างกันเพราะฉะนั้นจึงต้องมีลำดับลำดามีช้ามีเร็วมีก่อนมีหลังกันไปเรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้เมื่อรวมลงแล้วพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแต่ละครั้งพุทธบริษัททั้งหลายได้บรรลุ ธ, ธรรมเป็นจํานวนมากมีภิกษุบริษัทเป็นต้นนอกจากนั้นบรรดาเทวบุตรเทวดาที่อยู่ในข่ายแห่งการแนะนําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วก็สามารถได้บรรลุมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกับมนุษย์เรายิ่งมากกว่านี้เป็นจํานวนมากมาย ดัมที่ท่านแสดงไว้แล้วในตำรับตำนาด้วยเหตุนี้เองธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมชาติที่สดจดร้อนร้อนพระหนึ่งว่าพระองค์ประทับอยู่กับพระโอวาททุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมเราอ่านเราไก่กลองไปตามบทใดบาตรใดแห่งธรรมทั้งหลายก็เท่ากับเราได้ยินได้ฟังจากพระโอษของพระพุทธเจ้านั่นแหละ เพราะธทมเหล่านี้เป็นสว่าขาตธรรมพระองค์ตรัสไว้ชอบแล้วชอบแล้วในธรรมทั้งหลายตั้งแต่พื้นแห่งธรรมจนกระทั่งถึงิมุตดดุดทนเป็นธรรมที่ทรงแสดงแล้วด้วยความชอบธรรมไม่มีผิดพลาดพลาดเคลื่อนแม้แต่น้อยถึงพระองค์จะไปผพานไปสักนานเท่าไรก็ตามแถวทางที่ทรงแสดงเอาไว้หรือคุยหมายป้ายทางที่ การทำเอาไว้นั้นเป็นความถูกต้องอยู่ตลอดไปจึงเรียกว่าอากาลิโกเป็นธรรมที่หาการหาสมัยหาวเวลาไม่ได้ไม่เคลื่อนจากความจริงผู้ปฏิบัติตามจึงต้องได้รับผลประโยชน์โดยลาดับลาดาทั้งที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ทั้งที่พระพุทธเจ้าปริพันธ์ไปแล้วเพราะพระโอวาทนั้นเป็นจาสดาแทนพระองค์ ด้วยเหตุนี้พวกเราทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมจึงกระนาสนใจปฏิบัติตัวเองนี่เป็นของสำคัญทำทั้งหลายที่จะเจริญหรือเสื่อมนั้นขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติคือพุทธบริษัทของเราภิกษุบริษัทอุบาสกอุบาสิกาบริษัทนี่แหละเป็นของสำคัญผู้จะยังศัสานาให้เจริญก็ดีผู้จะยังศาสนาให้เสื่อมก็ดี คำว่าศาสนาจเจริญคือจเจริญทางด้านจิตใจเป็นผู้ใคร่ต่ออัดต่อธทำถ้าพูดถึงเรื่องศีลก็เป็นผู้รักษาด้วยความเข้มงวดขวดขันในศีลทั้งหลายปากเป็นปากตายไว้กับศีลของตนผู้นั้นก็มีคุณค่าจิตใจก็มีความอบอุ่นด้วยศีลที่ตนรักษาไว้เรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นสมบัติอันหนึ่งที่เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจหรือเป็นสมบัติของใจเรา พูดถึงเรื่องสมาธิผู้บำเพ็ญทางด้านสมาธิด้วยความเป็นผู้มีศีลคือนักบวชของเราไม่ทําศีลของตนให้ด่างพร้อยขาดทะลุไปย่อมเป็นความอ บ, บอุ่นในการบำเพ็ญไม่มีความลักแครกระคายการบำเพ็ญจิตใจย่อมไม่สายแสเรื่อยล่อนหรือเป็นกังวลกับข้อวิ น, นัยข้อใดการปฏิบัติย่อมมีความสงบร่มเย็นได้ง่าย ใจย่อมเป็นสมาธิเมื่อใจเป็นสมาธิใจก็มีความสงบใจมีความสงบย่อมแสดงความแผวพราวความสว่างกระจ่างแจ้งออกมาในวงแห่งสมาธิของตนแม้จะยังไม่สว่างกระจ่างแจ้งเหมือนขั้นปัญญาก็ตามอย่งขั้นสมาธินี้ก็ทาให้ผู้บาเพ็ญผู้ได้เห็นผลแห่งการบาเพ็ญสมาธินั้น ได้รับความแปลกประหลาดและความอัศจรรย์ซึ่งไม่เหมือนกับสิ่งใดในโลกที่เคยผ่านมาในบรรดาความสุขความอัศจรรย์ทั้งหลายเหล่านี้ที่เกิอดอยู่กับปิดซึ่งเป็นสมาธิในขณะนั้นนี่แหละทำท่านบอกว่าสมาธิธรำเจริญที่ตรงนี้ศีลก็จะเจริญที่ผู้รักษาและสมาธิก็จะเจริญที่ผู้บำเพ็ญสมาธิจากสมาธิและบำ เราบำเพ็ญปัญญาคำว่าปัญญานั้นคือความเฉลียวฉลาดความรอบคอบความที่นิษพิจารณาคิดอ่านเตร่กรองตามท่าตามขันตามสภาวธรรมทั้งหลายทั้งภายนอกภายในัยภายในรวมลังลงในกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภะอสุพังนี้เป็นทางเดินแห่งจิตที่จะให้มีความกว้างฟังในความรู้ความฉลาดความสามารถความแยบข่ายทั้งหลายท่าน ก็สอนไว้อย่างนี้ทีนี้เมื่อจิตของเรามีความสงบเยือกเย็นจิตย่อมไม่หิวโหวยในอารมณ์ต่างๆในทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสซึ่งเป็นอารมณ์ของโลกของกิเลสตัณหาล้วนๆจิตเมื่อมีทำเป็นเครื่องดื่มแล้วย่อมไม่หิวโหวยกับอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเรียกว่าจิตอิ่มตัวอิ่มตัวคืออิ่มอยู่กับความสงบเย็นของตัวเอง จากนั้นก็พาจิตทำงานทำงานคือการพินิจพิจารณาดังที่ท่านสอนว่าเกษาโลมานาขาทันตาตะโจเเกษาคืออย่างไรคำว่าเกษาก็คือผมผมนั่นมีอยู่กับทุกคนแม้แต่คนหัวล้านก็ยังมีผลในจุดที่มันไม่ล้าน ขนเล็บฟันมีอยู่ด้วยกันทุกิทุกคนสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องใหญ่โตมากสำหรับครอบใจของสัตว์ทั้งหลายให้ลุ่มหลงวุ่นวายติดข้องอยู่ทั่วโลกกระทาไม่มีอันใดเหนืออาการห้าอย่างนี้เลยท่านแสดงแก่พระในเวลาบวชใหม่ท่านแสดงย่ยอๆเพียงตอนนี้แล้วให้ไปตีความหมาย จะนาออกไปให้กว้างขวางถึงอาการสามในสองตลอดถึงอาการของโลกของสารมีสภาวะอย่างเดียวกันปัญญาสามารถที่จะรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดทั้งของเขาของเราของสัตว์ของบุคคลว่าอยู่ในกฎอนิจจังทุกขังอันเดียวกันทุกขังอนัตตาอย่างเดียวกันนี่คือปัญญ า, าเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาปัญญาของผู้ที่ บำเพ็ญทางสมาธิให้เป็นแต่แล้วส่วนมากมากจากพ้นคว้าทางร่างกายของตัวเองแล้วก็เทียบเชียงกับสิ่งภายนอกเข้ามาสู่ภายในเช่นยกตัวอย่างว่า น, นีา่ว่าเจสารุมานาขาทันตาแตโจนี่เป็นอย่างไรจาเป็นอย่างไรท่านจึงสอนอย่างนี้นี่แหละคือทมจําเป็นของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนโลกกให้ถูกจุด ที่หมายให้ถูกจุดสำคัญของโลกที่ติดที่พันกันอยู่ตลอดเวลาจิตทุกดวงไม่ได้พ้นจากอันนี้ไปได้เลยไม่ได้ผ่านอาการเหล่านี้ไปได้ติดกันทั้งนั้นรักก็รักสิ่งเหล่านี้ชังก็ชังสิ่งเหล่านี้เกรียดโกรธก็เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสำคัญอยู่ภายใน จ, ใจิตใจฝังลึกอยู่ภายใน จ, ใจิตใจให้แสดงความโกรธความหงความหวงออกมาก็เพราะสิ่งเหล่านี้ นี่พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงสแสดงให้ทราบชัดในจุดสาคัญแล้ไปที่คลายขยายออกไปเพื่อจะได้รู้ความจริงของสิ่งทั้งหลายเหล่านี้และจิตจะได้ถอนตัวเข้ามาสู่ความเป็นตัวของตัวไม่พึ่งพิงอิงอศัยกับปืนกับไปในบรรดาสิ่งเหล่านี้ที่กอบปืนกอบไปให้เราในขณะที่ลุ่มหลงกับเขาใจจะได้หดตัวเข้ามาใจที่รู้แจ้งด้วยปัญญา ย่อมจะสว่างกระจ่างแจ้งมากขึ้นกว่าใจที่เป็นสมาธิใจที่เป็นสมาธิมีความสงบเย็นมีความสว่างอยู่ภายในวงของตนที่เรียกว่าสมาธิแต่ไม่มากหรือไม่สามารถยิ่งกว่านั้นขึ้นไปต่อเมื่อปัญญาเป็นเครื่องเสริมเพราะสมาธิเป็นเครื่องหนุนแล้วจิตใจนี้ย่อมจะมีความสว่างกระจ่างแจ้งมากขึ้นโดยลําดับลําดาบจนกระทั่ง สิ่งที่เราไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็นดังพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ธรรมในเบื้องต้นไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าได้รู้ธรรมอันใด ไ, ไม่เคยปรากฏต่อเมื่อได้บาเพ็ญขึ้นไปก็เริ่มรู้ตั้งแต่เบื้องต้นเช่นปุกเพนิวาสานุสติญาณทรงพิจารณากาหนดอนาปานสติ ในขั้นเริ่มแรกพอจิตสงบเย็นเข้าไปเท่านั้นจิตก็สามารถแทงทะลุไปถึงปุปเพนิวาสานุสติยานคือระลึกชาติย้อนหลังของพระองค์ว่าเกิดมากี่พบกี่ชาติกี่กับกี่กันได้ตลอดทั่วถึงไปหมดว่าพบใดชาติใดเคยเกิดเป็นอันใดอันใดพระองค์ทรงทราบไปหมดเพราะฉะนั้น ธรรมนี้จึงเป็นเครื่องประกาศกังวานกับพระพุธเทธเจ้าหนึ่งประกาศกังวานกับสับโลกทั้งหลายหนึ่งว่าเคยเป็นมาอย่างเดียวกันจิตวิญญาณดวงใดที่จะไม่เคยตกนรกหมกไหมไม่เคยไม่เคยขึ้นสวรรค์ชั้นพรมที่ควรจะย้อนกลับมาสู่มนุษย์ได้อีกและเกิดเป็นยักษ์เป็นเปรตเป็นผีเป็นเทวุตเทวดาอย่างนี้เกิดเคยเกิดทั้งนั้นทั้งนั้น เพราะจิตดวงนี้ไม่เคยตายเป็นนักท่องเที่ยวท่องเที่ยวนั่นท่องเที่ยวด้วยอำนาจแห่งกรรมที่ทำให้เกิดไม่หยุดไม่ถอยนั้นเพราะอำนาจของอวิชชาที่เป็นเชื้อพาให้เกิดอวิชชาเป็นเครื่องบังคับให้เกิดวิบาความดีความชั่วเป็นธรรมชาติที่ให้เที่ยวท่องเที่ยวไปในภพชาติต่าง ถ้ามีคุณงามความดีเป็นเครื่องสนับสนุนใจก็ไปสู่สถานที่ดีถ้ามีความชั่วเป็นเครื่องกดท่วงหรือกดขี่บังคับก็ให้ไปเกิดในสถานที่ชั่วเช่นตกนรกหมกไหมหลังนี้เป็นต้นอันนี้เป็นมิสัยของจิตที่เป็นที่ต้องสร้างกรรมไม่ว่าสัตว์โลกไม่ว่าเราทั้งหลายใครๆก็เหมือนกันเมื่อกิเลสยังมีอยู่ต้องได้สร้างกรรมด้วยกันทั้งนั้น เมื่อสร้างกรรมแล้วผลดีชั่วย่อมมีด้วยกันเพราะคำว่ากรรมเป็นได้ทั้งดีทั้งชั่วสัตว์โลกทั้งหลายทำได้ทั้งดีทั้งชั่วย่อมจะเกิดผลดีชั่วด้วยกันเพราะฉะนั้นคำว่านารกก็ดีสวรรค์ก็ดนนีนรกหลุมใดก็ดีจึงไม่พ้นที่จิตวิญญาจิตบิญญาณแต่และดวงละดวงนี้จะไปเกิดจนได้เพราะอนานาจแห่งกรรมพาให้เกิดได้เกิดได้ทั้งนั้น ตามอำนาจแห่งกรรมหนักกรรมเบาแต่เวลาเกิดไปเท่าไรตายไปเท่าไรผ่านมาเท่าไรอำนาจของกิเลสมันปิดหูปิดตาเราไว้เสียไม่ให้เรารู้ว่าเราเคยต่เกิดเป็นสิ่งนั้นเกิดเป็นอย่างนี้จึงทำให้เรานี่ลืมเนื้อลืมตัวเพราะหนึ่งว่าเพิ่งเกิดมาเพียงชาติเดียวนี้เท่านั้นอยากทำอะไรก็ทำไป แล้วเครื่องกล่อมของกิเลสนี้มีไความละเอียดแหลมคมมากทีเดียวการเกิดเคยเกิดกี่ภพกี่ชาติมันก็ปิดบังไว้หมดประหนึ่งว่าไม่เคยเกิดเคยตกนรกมากี่ภพกี่ชาติเคยเป็นสัตว์เดรัจฉานเคยเป็นเปรตเป็นผีมากี่ภพกี่ชาติมันก็ไม่ให้เรารู้มันปิดบังไว้หมดปิดบังไว้หมดแล้วเปิดทางแห่งความอยาก เอาไว้เพื่อให้สัตว์ทั้งหลายทำสิ่งที่ตนอยากสิ่งที่ตนอยากนั้นคือทางเดินอันราบลื่นของกิเลสมันอยากอะไรกิตร้อยทั้งร้อยอยากทำตั้งแต่ความไม่ดีหรือความชั่วทั้งนั้นอยากอะไรเมื่อกิเลสพาให้อยากแล้วมันเป็นพิษเป็นภัยเสียทั้งหมดแต่เราไม่รู้ว่ากิเลสมันเป็นภัยสิ่งที่เท่าเราทนั้นเป็นภัย ถ้าเรารู้ว่าสิ่งนั้นเป็นไฟสิ่งนั้นเป็นโทษแล้วใครจะไปกล้าทําเช่นเดียวกันกับเราไปจับไฟเราทราบแล้วว่าไฟนี้มันร้อนแล้วใครจะไปฝืนจับไฟเพราะทราบอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่จับไฟว่าไฟนี้เป็นของร้อนนี่การทําความชั่วของมือนกันผลเนี่ยความชั่วเป็นของร้อนเหมือนฝืนเหมือนไฟแต่ใจมันก็อยากทําเพราะมันไม่ทราบว่าผลนั่นร้อนไม่เหมือนกับเรารู้ไฟ กรรมมันดึกนับอย่างนั้นนี่แหละเรื่องของกิเลสตันหามันปิดมันบงังจิตใจของจัดโลกเอาไว้ไม่ให้รู้ให้เห็นในสิ่งที่ควรจะรู้จะเห็นได้เลยด้วยเหตุ น, นี้พระพุทธเจ้าจึงเป็นองค์สำคัญมากที่มาตรัสรู้แต่ละครั้งราทานั้นมาตรัสรู้คือเปิดความจริงให้สัตว์ทั้งหลายได้รู้ได้เห็นเช่นบาบาปมีจริง บาปนี้เคยมีมาตั้งเดิมพระพุทธเจ้าองค์ใดๆมาตรัสลูกก็ต้องมาสอนเรื่องของบาปเพราะสัตว์ทั้งหลายคุกเข้าอยู่กับบาปกับความทุกข์คุกเข้าอยู่กับความทุกข์ความหนาจแห่งบาปนี่แหละพระพุทธเจ้ามาตรัสลูกก็มาเปิดเผยออกให้ทราบว่าบาปมีอย่าทําบาปความความทําบาปนั้นเป็นสาเหตุให้ไปตกในสถานที่เดือดรับความทุกข์ความยากความลาบากถึงขั้นมหมหันตทุกขมีมากมายเช่น นรกเป็นต้นนี่แล้ บ, บุญมีจริงขอให้ทั้งทั้งหลายได้สร้างบุญสร้างกุศลเพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจของเราให้ไปสู่สถานที่ดีคติที่พึงหวังนี่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์สอนอย่างนี้ว่านารกมีจริงสวรรค์มีจริงพทมพรมโลกมีจริงนิพพานมีจริงนี่ล้วนแล้วตั้งแต่ท่านมาเปิดความจริงนี้ให้สัตว์ทั้งหลายได้รู้ได้เห็น ได้บำเพ็ญในสิ่งที่ถูกที่ดีให้ได้ละได้เว้นในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายด้วยกันทั้งนั้นบรรดาพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนโลกท่านทรงสั่งสอนเป็นแบบเดียวกันเพราะท่านรู้ท่านเห็นอย่างเดียวกันเนื่องจากสิ่งเหล่านั้นมีอยู่ดั้งเดิมอย่างเดียวกันจึงต้องสอนแบบเดียวกันพระพุทธเจ้ามาสอนโลกแต่ละครั้งละครั้งนี้บรรดา จิตวิ ญ, ญญาณทั้งหลายที่ได้รับผลประโยชน์จากพระพู้ชิพระเจ้านั้นรับจํานวนไม่ได้เลยเมื่อท่านปฏิพานไปนแล้วก็เหมือนกับปิดหูปิดตาทิเลตก็สนุกเปิดทางให้ทําความชั่วช้าละโมกทั้งหลายและสร้างแต่บาปแต่กรรมให้ได้เกิดความทุกข์ความทรมานจากจิตใจของตนอยู่เรื่อยมาอย่างนี้นี่ถากว่าไม่มีศาสนาเป็นเครื่องบําเพ็ญเป็นเครื่องอบรมสั่งสอนแล้ว การสร้างบาปสร้างกรรมของจิตใจแต่ละดวงละดวงนี้จะไม่มีเบรกห้ามล้อเลยจะสร้างตามอำนาจความอยากของตนเพราะความอยากนั้นเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆไม่ค่อยจะมีธรรมข้อแทรกเลยเมื่อศาสนาไม่มีการทำบาปจึงก่อปูอาตั้งแต่เรื่องความทุกข์ความทรมานเข้าสู่ตนหาเวลาว่างเว้นไม่ได้นี่ก็ยิ่งเป็นการยืดต่อพบต่อชาติของตนให้ยืดยาว มากมายขึ้นไปอยู่จนหาจุดหมายตายทางไม่ได้เมื่อมีธรรมเป็นเครื่องพร่ำสอนเป็นเครื่องอบรมคนผู้มีอุปนิสัยที่จะเชื่อบุคคลที่ควรเชื่อได้เช่นเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าได้อยู่ผู้นั้นย่อมจะกลัวบาปแล้วสอบแสวงหาในทางบุญทางกุศลและสร้างบุญสร้างกุศล ขึ้นภายในจิตใจของตนก็สามารถที่จะตัดพบตัดชาติที่ยืดยาวทั้งหลายนั้นให้โยนเข้ามาโยนเข้ามาโยนเข้ามาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายคือได้เป็นพระหันตรัสรู้ธรรมหรือบรรลุธรรมได้ดุพ้นจากกิเลสทั้งหลายหายการจากพบจากชาติหายจากกิเลสตัณหาโดยประการทั้งปวงและถึงบรมมาสุ ผู้นั้นเป็นผู้พ้นแล้วจากทุกโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรที่จะมาเกี่ยวข้องอีกได้แล้วเพราะอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลที่ได้สร้างมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนื่องจากได้รับโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้านี่พวกเราทั้งหลายเกิดมานี้เกิดมาในท่ามกลางแห่งศาธนาธรรมของพระพุทธเจ้าก็ก น, นับว่าเรามีอำนาจวาสนาบุญญาพิชมพานพอสมควรแล้วขออย่าให้การเวลา อัตภาพร่างกายชีวิตจิตใจได้ผ่านพ้นไปจากคุณงามความดีเสียเปล่าโดยทําตั้งแต่บาปแต่กรรมดิ้นรนกระวนกระวายไปกับกิเลสตัณหาที่พาฉุดพาลากเข้าสู่กรอบนั่นมุมนี้ตื่นขึ้นมาวันหนึ่งวันหนึ่งมีแต่ความเดือดร้อนเผาไหม้ยอยู่ภายในจิตใจความหวังนั้นหวังอยู่ตลอดเวลาแต่หวังก็เป็นโมฆะ หาสิ่งที่ตอบแทนในทางที่ถูกที่ดีให้สมหวังไม่ได้ก็เพราะเราไม่ได้สร้างความดีสร้างแต่ความชั่วอย่างเดียวนี้เรียกว่าเกิดมาเสียภพเสียชาติเสียความเป็นมนุษย์เปล่าๆวันนี้กับเมื่อวานนี่ไม่ได้แตกต่างกันอย่างใดเลยเมื่อวานนี้เราก็ให้เสียเวลาเปล่าๆไม่ไทําประโยชน์อะไรเลยแล้ววันนี้เราก็ทําให้เสียเวลาเปล่าๆไม่ทําประโยชน์อะไรเลยวันพรุ่งนี้เราก็จะต้องทําให้เสียเวลาอีกเช่นเดียวกัน แต่สิ่งที่เราทำคือสิ่งที่จะมาทำลายเราเป็นยาพิษมาเผาตัวข้างเราได้จากการทำบาปทำกรรมด้วยความอยากความทะเยอทยานไม่รู้เนื้อรู้ตัวนี้เราทำอยู่ตลอดเวลาอันนี้แหละที่เราเสียเปรียบให้ฝ่ายต่าอยู่เสมอเพราะเป็นเช่นนี้ด้วยเหตุนี้เราเพึงคำนึงถึงจิตใจของเราว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก เราเป็นผู้รับผิดชอบในหัวใจของเราจึงขอให้หาความดีเข้าสู่จิตใจเจาะแสวงหาความดีเข้าบำรุงจิตใจใจเมื่อได้รับความดีแล้วย่อมเป็นสุขเหมือนเราเหมือนได้อาหารอันเป็นโอชารสเข้าหล่อเลี้ยงใจิตใจนั่นแหละใจที่มีความสุขอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขหมดอยู่ในโลกนี้ก็เป็นสุขไปโลกหน้าก็เป็นสุขตายไปแล้วก็เป็นสุขคนบุญย่อมเป็นสุข จะเกิดจะตายที่ไหนคือคนบุญเกิดคนบุญตายมีความถูกเป็นลําดับตลำดับจนกระตั้งถึงขั้นบรมมาสุขหาความเกิดดีไม่ได้แล้วก็ครอบหน้าแห่งบุญนี่การไม่ลืมตัวคือการสร้างความดีให้พยายามทําอย่างนี้สิ่งใดที่ฝืนใจฝืนใจนั้นส่วนมากมักจะเป็นเรื่องของธรรมที่เลดพาให้ฝืนไม่อยากให้ทํา การทําบุญให้ทานก็ไม่อยากให้ทําการรักษาศีลก็ไม่อยากให้รักษาการภาวนาก็ไม่ให้อยากทําให้ทําแต่สิ่งที่ชั่วช้าลามกทั้งหมดเปิดทางที่ไม่ดีโล่งเอาไว้ให้สัตว์ทั้งหลายเดินไปตามด้วยกันไม่มีสัตว์ตัวใดที่จะป่าฝืนขัดแย้งทิเล็ดเลยเพราะความรู้ความฉลาดไม่ทันกับมันเราจึงจ้องยอ่ยอมเสียเปรียบที่เด็ดอยู่ตลอดเวลา โดยเหตุนี้ธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเป็นของจําเป็นสาหรับที่จะมาฉุดมาลากมาคัดค้านต้านทานความชั่วทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในหัวใจของเราอย่าให้สร้างไม่สร้างความชั่วทั้งหลายให้สร้างความดีความดีนั้นเบื้องต้นย่อมสร้างยากทำยากเพราะกิเลสมันหนานแน่นเราจะทําอะไรกิเลสจะเข้าจีด ก, กันห่วงห้ามไว้เสียถึงกับ ไม่ได้ทำก็มีล้มเหลวไปตามที่เตนั้นมีมากมายไก่กองนี่ในขั้นเริ่มแรกของผู้สร้างความดีเฉพาะ อ, อย่างยิ่งจิตตภาวนาเป็นสำคัญมากทีเดียวเราฝึกหัดภาวนาตั้งทั้งที่จิตของเราอยากให้เป็นมีความสงบเยือกเย็นอยากให้ได้เห็นเหตุเห็นผลเห็นสวรรค์นิพพานเห็นบาปเห็นบุญอยู่ภายในจิตอย่างกระจักถึงขนาดนั้นเวลาเราทาลงไป จิเลสมันยังไปทุกไปตีไปขัดไปแย้งให้ล้มเหลวไปได้ภาวนาเลยไม่เปนี่าเป็นไปตามอารมณ์ของกิเลสแทนที่จะภาวนาให้มีความสงบเย็นกลายเป็นความพุ่งส้างลำคาญไปเสียหมดโลกธาตุนีก้กว้างแสนกว้างจิตใจวิ่งไปได้ตลอดทั่วถึงล้วนแน่ตั้งแต่ไปได้ความรุ่มหลงไปได้วยอำนาจของกิเลสมันถูดลากไปหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ แล้วแล้วสุดท้ายก็หาความสงบไม่ได้เมื่อหาความสงบไม่ได้แล้วกิเลสก็สร้างความพอใจให้อีกทำอย่างนี้ไม่เกิดประโยชน์แล้วเรานอ น, อนเถิดดีกว่าเนี่ยหรือไม่ทำเถิดดีกว่ามันกระล่มเหลวไปอีกเป็นขั้เป็นย้าเป็นที่สองก็ไอีกเนี่ยกิเลสทำลายเราเป็นอย่างนี้ในขั้นเริ่มแรกมักจะเป็นเสมอหรือเป็นเสมอนี่เฉพาะผู้บาเพ็ญกิตภาวนาเป็นได้ เราอย่าดูหัวใจผู้ใดมากยิ่งกว่าดูหัวใจเราซึ่งเป็นนักภาวนาเราจะเห็นได้อย่างชัดชัดว่าขณะนี้เราจะภาวนายังเลยจะตั้งท่าต่อสู้ไว้แล้วความขี้เกียจชี้คร้านความท้อแท้อ่อนแอความคาดหน้าคับหลังที่จะให้เราล้มเหลวนั่นเลยไม่ได้ทำภาวนาอย่างนี้มีมากมายสาหรับนักปฏิบัติของเรานี่เพราะอะไร เพราะขณะนี้เรายังไม่เคยเห็นผลของความดีคื อ, อสมถะธรรมได้จากความสงบใจมีตั้งแต่ความฟุ้งซ่านรำคาญเต็มหัวใจเวลาภาวนาจิตจึงต้องเป็นเช่นนั้นทีนี้เมื่อเราได้ใช้ความพยายามอยู่ไม่ลดละท้อถอยเอาเป็นวันนี้ฟุ้งไปวันนี้เราจะพยายามทำจิตของเราให้สงบทําไมสงบไม่ได้เราตั้งหน้าตั้งตา ตั้งสติสตังตั้งความภาคความเพียรความอุตสาห์พยายามให้หนักเข้าไปวันนี้สู้กิเลสไม่ได้กิเลสลากไปถึงโลกไหนเอาวันหน้าเราจะลากกิเลสเข้ามาเผาอยู่ในความสงบยือกเย็นนี่อยู่ในสมถะธรรมนี้ให้มันหมดไม่ให้มีเหลือความพุ่งพ่านําขาดทําลงไปด้วยความเอาจริงเอาจังสุดท้ายใจของเราก็สงบได้เมื่อใจสงบได้ก็สร้างความหวังให้เราขึ้นมาโดยลําดับ แล้วมีความเชื่อความเรื่อมใสในผลของตนคือความสงบเยือกเย็นนั้นขึ้นไปโดยลําดับลําดับแล้วความเพียรก็ค่อยไหลผ่านเข้ามาผ่านเข้ามาความอุตสาห์พยายามความมีสติสตังก็เริ่มตั้งมาพร้อมๆกันทีนี้ความที่เคยพุ่งสร้ า, นางนำคานก็เคยก็น้อยลงน้อยลงความสงบเยือก เ, เ, เย็นที่ปรากฏภายในใจของเราอยู่แล้วก็เยือกเย็นมากขึ้นสงบมากขึ้น จินจนจิตกลายเป็นสมาธิขึ้นมาเต็มหัวใจเมื่อจิตได้กลายเป็นสมาธิขึ้นมาเต็มหัวใจแล้วจิตย่อมมีความขยันหมั่นเพียรในการภาวนาเพราะภาวนาวันนี้ก็เป็นความสงบไม่ได้ภาวนาจิต ก, ก็สงบอยู่แล้วยิ่งภาวนาลงไปก็ยิ่งเพิ่มความโน้เข้าไปก็ยิ่งทำให้จิตมีความเพลินในการภาวนาของตนนี่กิเลสประเภทนี้เรียกว่าน้อยลงไป คือความฟุ้งซ่านลำคาญน้อยลงไปความขยันมันเพียรทางยิด้านจิตตภาวนาก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นจิตใจก็มีความสงางามไปด้วยสมาธิคำว่าสมาธินั้นคือความสงบใจให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบเอาไว้ว่าสงบอยู่ในท่ากลางอกของเหล่านี้ไม่ได้สงบอยู่ที่ไหนใจเมื่อเริ่มสงบก็เริ่มสงบขึ้นภายในท่ามกลางอกของเรา เย็นก็เย็นขึ้นที่นี่สว่างสวัยก็สว่างขึ้นภายในท่ากลางอกของเราจะเป็นสมาธิขั้นใดก็เด่นอยู่ภายในท่ากลางอกของเราจนกระทั่งก้าวเข้าสู่ปัญญาคำว่าปัญญาก็เคยอธิบายให้ฟังแล้วตั้งแต่เริ่มแรกปัญญาที่เราพิจิตรณาคลี่คลายสิ่งต่างๆ ให้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงของมันแล้วจิตใจย่อมจะมีความผ่องใสละเอียดมากยิ่งกว่าขั้นสมาธิและมีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นภายในจิตใจของตนมีหน้ำซ้ำยังกระแสะของความรู้นี้ยังสามารถที่จะยังทราบไปในสิ่งที่ไม่รู้ไม่เห็นนอกจากวงของสมาธินอกจากวงของปัญญาที่สังหารกิเลสนี้ไปอีก สามารถที่จะรู้ในสิ่งต่างๆพวกเปรตพวกผีพวกอะไรก็แล้วแต่เทวบุตรเทวดา <S <S ในขณะที่เราเริ่มรู้ในจิตใจของเรากับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็าย่อมเป็นพยานเป็นสักขีพยานต่อความรู้ความเห็นความแสดงไว้แห่งธรรมทั้งหลายของผู้ทีเจ้าเป็นลําดับลําดานี่คือความรู้ที่ปลีด ย, ย่อยไม่ใช่ความรู้ที่ฆ่ากิเลสแต่ออกจากด้านปัญญา คือเป็นขัแหนงของปัญญาตามอุปเปนใสัยสามารถของแต่ละหลายหลายที่จะรู้จะเห็นต่อไปส่วนเรื่องปัญญาที่จะฆ่ากิเลสนั้นเป็นปัญญาที่รู้แจ้งในธาตุในขันในกฎของอนิจจังทุกข์ขอนิสตาอจุภะสุภังแกมชัดเป็นเป็นลําดับลําดับและปล่อยวางเข้าไปปล่อยว่ารู้ตรงไหนปล่อยวางเข้าไปรู้ตรงไหนแล้วทิ้งพูดง่ายๆว่าปล่อยลงปล่อยลงเพราะเป็นภาระที่หนัก ด้วยความยึดมั่นถือมั่นจากความสาคัญผิดเมื่อรู้ตามหลักความเป็นจริงแล้วย่อมปล่อยวางเข้าไปเป็นขั้นๆตอนตอ น, ตอนปัญญาขอยิ่งมีความเฉียบแหลมขึ้นมาโดยลําดับตําดาสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งไม่เคยเห็นก็เห็นสิ่งที่ไม่ควรจะละได้หรือไม่เคยละได้กว่าละได้เป็นอันดับสิ่งที่ไม่เราไม่เคยเห็นว่าเป็นอัศจรรย์ก็อัศจรยออศจรย์ขึ้นในใจของเราเสียเองแล้วทำไมจะไม่เชื่อพระพุทธเจ้า ทำไมจะไม่เชื่อการภาวนาการาธรรมะจิตใจว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงทาอย่างไรมันก็กระจายไปหมดในความจริงที่พระเจ้าทรงสอนว้แล้วเพอมากระเทือนกับหัวใจของเราผู้ทําทะเองผู้รู้แะเองเห็นแะเองตามธรรมที่พระเจ้าทรงสอนไว้ก็ย่อมเป็นสักขีพยานกันได้เป็นอย่างดีแล้วมีความขยันหมั่นเพียรถึงขั้นปัญญาแล้วเรื่องของกิเลส อาสวะประเภทต่างๆที่เคยกีดเคยขวางการดำเนินของเหล่านั้นนับวันที่จะล้อยหล่อลงไปลอยหล่อลงไปมีแต่ความขยันหมั่นเพียรมีแต่การเสาะการสแสวงหาที่ที่จะฆ่ากิเลสตัวใดที่เป็นข้าติดต่อจิตใจใจยังมีความสัมผัสสัมพันธ์มีความติดข้องมีความลับความชังอยู่ในจุดใดในสิ่งใดสติปัญญาย่อมจะสอดแทรกเข้าไปในจุดนั้น ในสิ่งนั้นจนกระทั่งทะลุปูปโผงขาดพังทลายลงไปโดยลาดับลำดับในจิตทั้งดวงนั้นจะมีตั้งแต่เรื่องของสติปัญญาหมุนตัวรอบอยู่ตลอดเวลาที่เรศจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเมื่อถึงสติปัญญาขั้นเช่นนี้แล้วนั่นแลเรียกว่าที่เรศค่อยหมดไปหมดไปทีนี้ความขยันมันเพียรเราไม่ต้องบอกหัวใจทั้งดวง ทั้งดวงนี้มีแต่มุ่งความพ้นทุกขโดยถ่ยเดียวเท่านั้นกี่เลตตัวใดที่จะยังเหลืออยู่ในจิตนี้จะเหลือไม่ได้แล้วเพราะค่าสึกทั้งหลายที่ว่าเป็นทุกขความลาบากทรมานนั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นขึ้นมาจากที่เดตเมื่อทิ่เลชยังมีอยู่หัวใจมากน้อยทุกจะต้องมีอยู่ในหัวใจมากน้อยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการดับทิเดชให้ สิ้นเชื้อไปเสียโดยไม่มีเหลือเลยนั่นเป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่เราจะทำให้เสร็จสิ้นในภายในขณะนี้ขณะนี้เป็นลำดับไปนี่ท่านเรียกว่าปัญญามีความขยันหมั่นเพียรมีความมุ่งมั่นที่จะมวนเสือกิเลสให้สิ้นซากลงไปจากจิตใจในขณะเดียวกันก็จะม้วนเสือของพกของชาติอันเป็นเรื่องหาบของทุกข์ต่างๆให้สิ้นซากไปในขณะเดียวกันเช่นเดียวกัน จิตใจจึงมีความขยันหมั่นเพียรเอามากมายนี่เราจะไปคาดที่ไหนเราก็ค่าไม่ได้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะทราบตัวเองขอให้จิตในก้าวเข้าสู่สมาธิให้เห็นเถิดและจากนั้นก็ให้ก้าวเข้าสู่ปัญญาปัญญาในขั้นใดภูมิใดที่พระพุทธเจ้าทรงสังสอนมาแล้วอย่างไรจะมาประกาศกังวานอยู่ที่หัวใจของเราซึ่งกําลังทํางานอยู่ด้วยสติอยู่ด้วยปัญญานี้เองจะไม่ประกาศอยู่ที่ไหน ชักขีปยานของธรรมทั้งหลายก็คือใจนี่แหละกิเลส ก, ก็กองอยู่กับใจเมื่อชำระกิเลสด้วยความภาคเพียมีสติปัญญาเป็นสาคัญแล้วกิเลส ก, ก็จะค่อยพังลงไปจากใจเสื่อมลงไปจากใจหมดไปจากใจสติปัญญาก็จะสร้างตัวขึ้นมาให้มีความสว่างกระจ่างแจ้งรอบหัวใจของเรานี่สแสดงอุูภ า, ายในจิตใจนี่ทั้งกิเลตั้งธรรมเห็นประจกักษ์อยู่ภายในจิตใจของเราใจของเราจึงเป็นเหมือนเบที สู้กันกันกบกิเลสร่างกายก็เป็นเวทีประเภทหนึง่งระหว่างกิเลสกับธรรมที่อยู่บนหัวใจก็ย่นเข้าไปเป็นเวทีต่อกอนกันอย่างเต็มที่ด้วยสติปัญญาอันเคปียงกายเมื่อสติปัญญาอันเปียงกายได้เกิดขึ้นแล้วเพราะความเชื่อความสามารถของตนแล้วกิเลสจะมีอยู่มากน้อยเพียงไรก็ประหนึ่งว่าจะสินส้นทราบไปในไม่ช้าในไม่ช้าสร้างความบังให้ตน แน่นเข้าแน่นเข้าโดยลำดับลดันี่ที่นี่ความพยันมันเพียรเต็มหัวใจคําว่าขี้เกียจขี้ค้านความมาท่อถอยน้อยใจหมดไปหมดไปจนกระทั่งไม่มีเหลือว่าอำนาจภาษาน้อยก็ไม่มีเหลือว่าบุญไม่มีก็ไม่มีเหลือบาปไม่มีก็ไม่มีเหลือว่ารู้ตามความจริงเห็นตามความจริงยอมรับว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีเต็มหัวใจ เพราะใจตรงนี้เป็นผู้สว่างกระจานแจ้งไปเห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ลแล้วด้วยหัวใ จ, จงตนเองแล้วจะลบล้างพระพุทธเจ้าได้อย่างไรเช่นเดียวกับเรามีตาดีหูดีอยู่ด้วยกันเนี่ยมองเห็นสิ่งใดด้วยกันแล้วข้านกันได้อย่างไรเพราะคนตาดีเห็นด้วยกันรู้ด้วยกันภาษาเดียวกันพูดอย่างเดียวกันรู้เรื่องแล้วลบล้างกันได้อย่างไรว่าไม่ได้พูดว่าไม่ได้เห็นว่าไม่ได้ยินต้องยอมรับกันทั้งนั้นนี่ก็เหมือนกัน คำว่าบาบ า, บ, าบุญนรกสวรรค์เปรตผีนรกอเวจีที่ไหนก็ตามเถอะเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงรู้แล้วเห็นแล้วจึงนํามาสั่งสอนโลกเมื่อเราได้รู้ได้เห็นประจักษ์ในหัวใจของเราด้วยภาคปฏิบัติตามคำสั่งสอนพระเจ้าแล้วเรายอมรับในหัวใจของเราทําไมเราจะปฏิเสธพระเจ้าซึ่งเป็นองค์ศาสดาได้ลงคอมีแต่จะหมอบกราบลากราบลาเพลาออนั้นนี่แหละผู้ปฏิบัติเชื่อคำเชื่ออย่างนี้ ท่านเรียกว่าเชื่อในหัวใจเชื่อจากการรู้การเห็นของตนจากการปฏิบัติของตนผิด ก, กันกับเชื่อในต ำ, ตำลักตําราการเชื่อในตำรับตํารานั้นเป็นความเชื่อประเภทหนึ่งที่วางรากฐานไว้ให้เราก้าวเดินตามศรัทธาความเชื่อในตำรับตํารานั้นเพราะตำรับ ต, าตําราท่านแสดงไม่โดยถูกต้องอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่าเรายังไม่เห็นเราจึงเชื่อด้วยความคาดความเดาไปก่อน ก็ไม่ผิดจะผิดอะไรตั้งแต่เราเชื่อกี่เลสกี่เล่มันตัวจอมปลอมที่สุดเรายังเชื่อมันได้ลงคอถึงกับให้มันถลุงอยู่ทั้งวันทั้งคืนได้นี่นี่เราเชื่ออาจจะเชื่อธรรมของพระเจ้าตามตำลับตำราจะเสียหายไปตรงไหนก็เชือก็ถูกต้องเป็นแต่เพียงว่าถูกต้องในขั้นนั้นยังไม่ถูกต้องในขั้นสนิทตายใจจริงๆเหมือนเราได้รู้ได้เห็นขึ้นภ า, ายในจิตใจของเรา นี่อันถ้าเห็นดังนี้แล้วเป็นอันว่าแน่ธัญวัชรันทิตโกอันนี้ก็พระพุทธเจ้าประกาศไว้แล้วว่าสันทิตโกเอหีปัชิโกนัทท่านพูดไว้แล้วในบทธรรมสันทิตโกประกาศกลางวานอยู่ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัตินั่นแหละนั่นว่าเบตโบวินยูหิท่านผู้รู้ทั้งหลายจะรู้จํำพาะตน แล้วกับชั้นทีิโกก็จะเห็นจำเพาะตนประจักษ์จำเพาะตนนั่นแหละผู้ไม่ปฏิบัติจะไปรู้ได้ยังไงก็เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราจะลบล้างของกิเลสนี้ได้อย่างไรนี่แหละทีนี่ในพูดถึงเรื่องของกิเลสมันมันหมดไปมากน้อยเพียงไรเนี่ยหัวใจก็รู้ชัดๆว่าหมดไปมากน้อยอย่างไรสติปัญญามีความเปลี่ยนกายขนาดไหนมีความสามารถอาจฐานขนาดไหนก็รู้ในหัวใจของเรารู้ในหัวใจของเราจนกระทั่งขอสรุปเอาเลยว่าจน กิเลสมันม้วนเสื่อไปหมดไม่มีอะไรเหลือที่จะให้สังหารกิเลสเลยทำไมจะไม่รู้ประหนึ่งว่าฟ้าดินถลม่มเมื่อกิเลสมันได้พังลงประจกักษ์หัวใจแล้วก็เป็นธรรมชาติหนึ่งขึ้นมาจึงเหมือนกับว่าฟ้าดินถลม่มกิเลสได้พังลงจากหวัวใจเรียกว่าโลกธาตุลังไหวดังพระพุทธเจ้าทรง แสดงไว้ในธรร ม, มาจากกับประวัตนศาสตรนั้นเป็นยังไงเทวดากี่ชั้นกี่ภูมิจนถึงชั้นถมกระเทือนกันไปหมดในขณะเดียวกันนั้นที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วนั้นใช่ไหมนี่เราก็เห็นในตนลับตำราแต่ว่ามันเห็นในหัวใจของเรานี่อีกสิเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดเมื่อเห็นในหัวใจของเราแล้วหายสงสัยไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในใจเลยนี่คือผู้ทรงอัตรงธรรมทรงอย่างนี้เป็น ทรงตามแนวตามแถวของจัตตาดาของของระสาวกทั้งหลายท่านทรงท่านดูท่านเห็นผู้นี้แลเป็นผู้เชื่อตอนเองได้เรื่องพบเรื่องชาติเคยเกิดแก่เจ็บตายมากี่พบกี่ชาติกี่หมืน่นกี่แสนกี่กับกี่ล้านมันจะบอกอยู่ในหัวใจดวงนี้ทั้งหมดว่าขาดมาแล้วมากน้อยเพียงไรด้วยการทำระด้วยการจ่าสางด้วยการสังหารยิ่เลดเมื่อหมดเข้าไปหมดเข้าไปจนกระทั่งไม่มีเหลืออวิชาปัญญาสร้างคาราที่ เป็นเชื่ออันสำคัญฝังอยู่ภายในจิตใจอย่างจงมิดนั่นก็ได้ถูกถอดถูกถอน อ, ออกมาโดยสิ้นเชิงเช่นเดียวกับเราถอนต้นไม้หมดทั้งรากแก้วของมันแล้วกิ่งก้านสาขาดอกใบไม่จำเป็นจะต้องไปถอนมันมันก็ตายไปหมดเมื่อถอนต้นของมันพร้อมทั้งรากแก้วให้หมดไปแล้วไม้ต้นนั้นตายถ่ายเดียวเท่านั้นจิตก็เหมือนกันเมื่อถอนรากแก้วคือวิชาตัวสร้างภบสร้างชาดที่ออกจากจิตใจหมดแล้ว ไม่ต้องถามหาเรื่องความเกิดก็รู้เองว่าอะไรจะไปเกิดแล้วนิพานถามหาอะไรพระพุทธเจ้าสอนให้แก้กิเลสต่างหากไม่ได้สอนให้ถามหานิพานขอให้แก้กิเลสให้หมดไปเถิดผู้บริสุทธิ์เป็นเช่นไรผู้นั้นจะไม่ถามพระนิพานเช่นนั้นเหมือนกันเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสรงสแสดงแล้วพวกเราทั้งหลายได้เกิดมาท่านในถ้ำกลางพุทธศาสนาเป็นาศาสนาที่ ทรงไว้ตึ้งสวขรค์ทำตรากได้ชอบแล้วชอบแล้วนี้นับว่าเป็นผู้มีวาสนาบุญญาพิชมผ่านขอให้ได้อุตสาหพยายามสร้างคุณงามความดีของตนไว้แม้จะมาเลิดสิ้นพบสิ้นชาติในปัจจุบันชาตินี้ก็ตามความดีย่อมเป็นเครื่องส่งเสริมเราให้ไปเพื่อพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายถึงบรมสุข ด, ด้วยกันทางนั้นนี่เป็นของสาคัญเฉพาะอย่างยิ่งพระของเรานักปฏิบัติของเรานี้ให้มีความหนักแน่น ต่อศีลต่อสมาธิต่อปัญญาเถิดจะเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งอรซึ่งธรรมเช่นเดียวกับครั้งพูตตการที่ที่พระพุทธเจ้ายังทรงประชนอยู่ไม่มีอะไรผิดแปลกแตบกบต่างกันเลยเพราะสวัส ร, ริธรรมจับไว้ชอบแล้วเช่นเดียวกันดังที่ท่านแสดงว่าศีลปฏิภาวิตโตสมาธิมหาโลโติมหานสิสังโซนผู้มีศีล ร, รักษาศีลแต่ หลงตนด้วยความบริสุทธิ์ย่อมไม่มีไม่มีความระแวงแครงใจจิตใจย่อมมีความอบอุ่นจะบําเพ็ญสมาธิเขาไม่เป็นกังวลกับสิ่งใดสมาธิย่อมเป็นลงได้ง่ายนะสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาปลาหูต้ติมหามหานิสร้างซากสมาธิที่ปัญญาเป็นเครื่องสักฟอกเป็นเครื่องอบรมแล้วปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วย่อมเดินได้คข่องตัวนะคือสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญา เมื่อมีสมาธิแล้วปัญญาก็เดินได้คล่องตัวไม่เป็นสัญญาอารมณ์กับสิ่งใดไม่ฮิหวยกับอารมณ์อันใดเพราะอิ่มตัวในอารมณ์แห่งสมาธิเรียกว่าอิ่มตัวในสมถะธรรมมีความสงบรลมเย็นพิจารณาทางด้านปัญญาก็เกิดปัญญาไปได้อย่างรวดเร็วนี่ปัญญาปฎิภาวิตังปัญญาปฎิภาวตังกิตตังสัมมาเดวะอาสเวหิมุจติจิตที่ปัญญาซักฟอกแล้วย่อมสิ้นจิเลสโดยชอบฟังคือไม่ไม่สิ้นจิเลสโดยที่ว่า ความเข้าใจผิดสิ้นจิตเดโดยชอบธรรมสัมมาเดวะอาสวิมุจติยอมสิ่นจิตเดโดยชอบธรรมเนี่ยอยู่กับเราทุกวันเวลานี้ผู้ปฏิบัตินั่นแหละเป็นผู้จะทรงธรรมทั้งหลายเหล่านี้ไว้ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติแล้วอจัจธรรมท่านแสดงไว้ตามตลำดับตำราก็ดีตามเทพก็ดีอย่างสมัยปัจจุบันนี้ก็ แน่ใจว่ามีเป็นหลักเป็นเกณฑ์ที่เราจะยึดไปเราพิปฏิบัติได้ให้ชำระจิตใจของเราเราจะเห็นสิ่งใดว่าเป็นของสาคัญมากกว่าศีลกว่าธรรมกว่าวิมุตติบุญ พ, พ้นภายในจิตใจของเราอันนี้เลิศประเสริฐพระพุทธเจ้าประเสริฐด้วยการบุญ พ, พน้นพระสาวกทั้งหลายเลิศด้วยการบุญ พ, พน้นไม่ใช่เลิศด้วยการผัวพันธไม่ใช่เลิศด้วยการติดการข้องการล่มการจมอยู่เหมือนโลกทั่ ว, วไป เราเป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้มีโอกาสมากมายที่สุดแล้วในเพศพรมจันทร์ของเราได้แก่นะบวชขอให้ท่ากันพยายามตั้งหักตั้งใจพุทธปฏิบัติให้ในทรงอัดทรงทำดังที่ท่านแสดงวันนี้แสดงไว้เพื่อเราทั้งหลายนั่นแหละถ้าเราเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรเอาจริงเอาจังแล้วเราจะได้ครองทำทั้งหลายเหล่านี้ภายในจิตใจของเราเมื่อเรามีธรรมสมบัติอันนี้เต็มหัวใจแล้วอยู่ไหนก็อยู่ได้สบายเลย ตายก็ไม่มีความโผงใหญ่เสียดายกับสิ่งใดเพราะนี่เป็นเพียงาธาตุเพียงขันาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่ไหนมันก็มีดินน้ำลมไฟเดินไปที่ไหนเต็มไปด้วยดินน้ำลมไฟในร่างกายของเรานี้ก็มีดินน้ำลมไฟถ้าใจบริสุทธิ์เช่อย่างเดียวทนั้นก็เพียงครองกันอยู่รับผิดชอบก็อยู่ในวาระที่ยังมีชีวิตอยู่ทนั้นพอหมดเรื่องราวที่จะสืบต่อกันไม่ได้แล้วก็สลัดทิ้งเสียวย่อมว่าตาย ความเกิดความตายของผู้สิ้นจิตเรศแล้วย่อมมีน้ำหนักเท่ากันไม่เป็นกังวลห่วงใยกับความเป็นอยู่ความตายปายไหทั้งสิ้นเพราะธรรมชาตินั้นเรียกว่าพอคือใจที่บริสุทธิ์นั่นแหลเป็นใจที่พอเมื่อสรุปความลงแล้วไม่มีอะไรเลิศยิ่งกว่าคำว่าพอดีเข้ามาเกี่ยวข้องก็พอแล้วไม่เอาชั่วเข้ามาเกี่ยวข้องก็พอแล้วไม่เอาคือความพอแล้วนี่เป็นสิ่งที่เต็มตัวแล้ว ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วนี่กิตที่บริสุทธิ์แล้วย่อมเป็นจิตที่พอตัวเต็มที่อยู่แสนสบายตายไปก็เป็นสุขจะตายใอียบบทใดท่าใดตายได้เท่านั้นบรรดาท่านผู้เป็นพระหันท่านไม่ต้องเลือกการจะฐานที่เลือกท่าเลือกทางว่าจะต้องตายท่านั้นท่านี้จะต้องตายอียบทยบทนั้นียบบทนี้จะต้องตายด้วยวิธีนั้นวิธีนี้ท่านไม่จําเป็น ท่านปฏิบัติตามอัธยาศัยของท่านที่เหมาะสมในวิธีการใดเท่านั้นและท่านก็ปฏิบัติดังที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านแสดงไว้ในประวัติของท่านนั้นว่าพระอรหันต์บางองค์ยืนนิพพานก็มีเดินนิพพานก็มีคือยือนตายก็มีเดินตายก็มีนั่งตายก็ ม, นกมีนอนตายก็มีนะเพราะ เ, เพราะอะไรยิ่งยาห่างการยืนการเดินการนั่งการนอนนั้นมันเป็นเรื่องของาธาตุของขัน ความบริสุทธิ์นั้นเป็นเรื่องของใจจะตายวิธีใดแบบใดอิริยาบถใดด้วยเหตุผลกลไกอะไรก็ตามมันเป็นเรื่องของธาตุขันมันแตกไปเท่านั้นจิตนั้นบริสุทธิ์อยู่แล้วล้นลวนๆเป็นอาการดีโกหาการหาสถานที่เว ล, เวลาไม่ได้คือเป็นคือความบริสุทธิ์บริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาตายท่าไหนก็ตายไปเถอะขึ้นชื่อว่าจิตที่บริสุทธิ์แล้วไม่มีคําว่าเสียท่าเป็นธรรมชาติที่พอตัวอยู่แล้วเช่นนั้น นี่คือจิตของท่านผู้บริสุทธิ์หมดกังวลแล้วเป็นยังไงอยู่ที่ไหนสบายหมดนั่งอยู่สบายเดินสบายนอนสบายเรื่องพบเรื่องชาติที่จะกำหนดถึงเรื่องการเกิดการตายอย่างไรต่อไปอีกเอาโดยที่ยกปัจจุบันน ก, กจิตนี่เคยเกิดเคยตายมาสักเท่าไหร่จนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้แล้วบัด น, นี้จะสร้างพบสร้างชาติไปอีกอย่างไรหรือไม่ ก็เห็ น, นชัดๆขาดจะบั้นอยู่ภายในจิตใจนี้ว่าไม่มีอะไรเป็นเครื่องสืบต่อแล้วเหลือตั้งแต่บรมสุขเหลือแต่ความพอแล้วอย่างเดียวเท่านั้นเต็มหอใจเนื้วจะอะไรมาสืบต่อให้เป็นภพเป็นชาติไปอีกนี่เราท่านเรียกว่าสันทิฏิโกอันสุดยอดชุดที่ตรงนี้จึงขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายเดินนำบัพินิพพิเจนาเพื่อให้ศาสนาเจริญรุ่งเรืองในหัวใจของผู้ปฏิบัติเราให้ได้ชมคําว่าสมาธิเป็นยังไงสมาบัติเป็นยังไง มรรคผลนิพพานเปียยังไงพระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมเต็มแบบแผนตำรับตำลาแล้วต่อจากนั้นค่น้อมเข้ามาไปปฏิบัติให้ทำทั้งหลายเต็มใน ห, หัวใจแ ล, วแล้วเราจะอยู่สบายแสนสบายเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่เราทั้งหลายได้มาพบปะสมาคมกันโดยอาศัยท่านพ่อหลีเป็นจุดศูนย์กลางให้พี่น้องทั้งหลายได้มาจากที่ต่าง ได้มารวมกันวันนี้ได้แสดงธรรมเพื่อเป็นข้อลึกให้แก่พี่น้องทั้งหลายฟังให้กรุณาได้นำไปพื้ปฏิบัตินำไปพิจารณาไตรตรองวันหนึ่งคืนหนึ่งอย่าให้เป็นคนล้มเหลวล้มเหลวทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนทั้งวันวานนี้ทั้งวันนี้ทั้งวันหน้ามีแต่ความล้มเหลวเต็มตัวคนคนน้นหาสาระไม่ได้มีชีวิตอยู่ก็ล้มเหลวตายไปแล้วก็จะเป็นคนล้มเหลวอย่างเดียวกันคนล้มเหลวใช่ไม่ได้เลย เพียงแต่ได้ยินว่าล้มเหลวเท่านั้นมันก็สะดุดสังเวชแล้วเราอย่าให้เราเป็นคนล้มเหลวจากคุณงามความดีมีแต่กิเลสตักตวงเอาความชั่วช้าหลามกมาทับถมหัวใจเสียอยู่ในวันนี้ก็มีแต่กิเลสทับหัวใจเป็นฟืนเป็นไฟวันหน้าชาหน้าก็เหมือนกันนี้อย่างนั้นคนนั้นหาความหมายไม่ได้ตายไม่ตายก็เป็นไปอยู่เ ท, ท่าเดิมกับที่เป็นอยู่นี้เป็นความดีไหมให้ตั้งปัญหาถามตนเองแล้ว หาบายพลิกแพงเปลี่ยนแปลงแก้ไขดัดแปลงตัวเองให้เข้าสู่ความมีสาระเช่นเมื่อวานนี้ไม่มีสาระวันนี้พยายามสร้างสาระให้ได้วันนี้สร้างสาระได้วันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้พยายามสร้างสาระอีกเราสร้างความดีเพื่อเราทุกยากลําบากขนาดไหนจะเป็นอะไรไปกิเลสมันสร้างความทุกข์ยากให้เรายิ่งมากยิ่งกว่าที่เราสร้างคุณงามความดีด้วยความทุกข์ยากที่กิเลสมากีดมาหวังนี่ใช่อีก นี่เป็นข้อที่เราจะนำมาพิสูจน์กับตัวของเราแล้วต่อสู้กิเลสให้ได้ผลได้ประโยชน์เรื่อยไปในวันหนึ่งหนึ่งอย่าให้เสียเวลรันเวลาแอนวสารการแสดงธรรมนี่ก็เห็นว่าสมควรเก็เวลาขอความสุขสวัสดีจงมีแก่พี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทินออเหนื่อยวันนี้เหนื่อยอาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาคาร เอวเมวอิโตทินางเปตานาังอุปก ะ, กะปิติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชฉาตูสเพปูเรนตูสังกะปาจานโทปนะระโสยะถามันโชติระโสยถ า, าสพิติโยวิวัชฌันตูสัพพโรโค วินัสตุมาเตภวัตมันตราโยสุขีทีฆายุโกภะอภิวาทนาสีริสนิจจังุท่าปจายิโนจตาโรธรรมมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลัง